พระบัญญัติ460ก็ภิกษุใดใส่ความภิกษุด้วยอบัตสังฆาธิเศษไม่มีมูลต้องอวบัตปาจิตตีเรื่องพระชาพปวีจบ